มันต้องค่อยฝึกแต่นะจิตมันตื่นขึ้นมาจริงจริงจิตของคนเราตื่นยากที่สุดบางทีมันรู้สึกเหมือนตื่นไม่ใช่ตื่นจริงอย่างใจเราถ้ามันตื่นจริงแล้จิตใจมีความสุขทั้งตัวอีกใจมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเพราะแท้ใจถ้าเรารู้สึกเหนื่อยใจมันยังไม่ตื่น โยมสบายๆแต่ว uh. ่าหนึ่งแต่ <cure> ่รู้สึกมนเข้าผนะคะเป็นงานวาจิตทีสบายเนี่ยวงมันตั้งสอตื่นไปเรื่อยๆนะตื่นมตื่นขึ้นจริงๆจิตที่สบายมันมีหลายแบบนะจิตสบายแบบเราปล่อยสบายการมนตื่นขึ้นมาจริงๆมันจะโปร่งโล่งสว่างสวขึ้นไปตื่นเรื สบานดีฉันชูรองเท้าไปเลยแต่ก็ยิ่งไปได้แต่พุชชารลาละยายยงเคยฝึกจากไหนฝึกที่บ้านเออฝึกแบบไหนล่ะึกอแตาใจวานอ่านหือวิธีทแจ้งลอ กว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมานะั้นยากที่สุดเลยเพราะใจของเราเนะี่ยชับหลงไปอยู่ในโลกของความชิดถ้าพูดแบบปริยัติก็คือชิดของเราไปหลงกับอารมณ์บัญญาเราก็เลยรู้ว่าหลงปรมั m a คือรู้กายรู้ใจไม่ค่อยได้ในน้อยคนนะที่จะตื่นขึ้นได้จริงๆตื่ น, นค่อยๆสังเกต น, นะใจเราชอบหนีไปเที่ยวรู้สึกไหม เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจตรงนี้ดูออกไหมหค่อยๆหัดดูนะเดี๋ฟังอาจรมาพูดเนี๋ยสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังใครคิดไปสลับกันไปเรื่อๆดูออกไหมเนื้อนีบนคิดสัไดไปอย่านี้หน้าที่ของนามเนี่ยไกดีแแบบดูออกไหมเนื้อีกแวบบหนึ่งดูออกไหมไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไร ต้องไม่ทันไม่ทันถูกแล้วหลงไปก่อนแล้วไม่รู้ว่านะไม่ใช่ห้ามหลงนะนงั้นสังเกตให้ดีเวลาฟังอาจะมาพูดเดี๋ยวก็มองหน้าจะมานิดนึงเวลาจะมาพูดก็ไปตั้งใจฟังฟังเสร็จแล้วก็คิดสลับใจสลับมาเลยจะว่าฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่เรื่อง เรารู้เรื่องจริงๆตอนคิดแล้วนะนี่หนะ้าที่ของคนทั่วๆไปที่เขาเห็นถ้าเรียนกับปริญญาคือฟังไปคิดไปพอคิดเสร็จแล้วแหมได้ความคิดแล้วเราจำเอาไว้เขาบอกว่าได้ความรู้ไม่ใช่ความรู้หรอกเป็นความจําส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตมันไปนฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันทํางานคิดรู้ว่าไปคิดรู้ทันการทํางานของมันของคุณดูออกไหมไมันคิดเยอะแยะเลย ต้องไม่ทันต้องไม่ทันนะหัดดูหัดดูหัดดูที่เราบอกว่าดูจิตดูจิตควบจริงเราดูสองอย่างหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับอย่างรู้สึกสุงรู้สึกพุ้งจิตใจของเราแต่ละวันเดี๋ยวก็สุ่เดี๋ยวก็ฟุ้งเดีก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมรู้สึกสุงรู้สึกพุ้รู้สึกโลภโกรนหลงสงสัยพุ้งซ่านกวนปู รู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกเปลี่ยนเป็ความรู้สึกนานาชนิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราเรก็คอรู้ไปนเรื่อันหนึ่งนะอันที่สองรู้กริยาอาการรู้พฤติกรรมของจิตใจจิตใจของเราชอบวิ่งไปเที่ยววิ่งไปทางตารู้จักวิ่งทางตานยอย่างเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขา เราเห็นหมนลยมาเรารู้หมดแต่ขณะนั้นก็าจะลืมตัวเราเองลืมกายลืในใจเลยยิ้มไปทางหูอย่างเราตั้งใจฟังสมาพูดถึงเกตไหมตอนที่ตั้งใจลืมกายลืม ใ, ใจเลยนี่ตอนนี้หนีไปคิดเตอนที่หนีไปคิดเราก็ลืมกายลืม ใ, ใจเลยหลงทางใจแต่รู้ตั้งที่ทนานๆก็หลงไปไม่เป็นไร ห, หัดไปเรื่อยๆทีแรกก็จจะรู้ช้า สติเกิดช้าค่อยฝึกมาเข้ามาเข้าจิตมันจำสภาวะได้มันพอไหวแว้บมัจำได้่าไหวสติจะเกิดขึ้นจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนระวาความเจ้าเมื่อตัวเองได้สติของเราเกิดเร็วขึ้นไหมนี่ปฏิบัติไปสติมันไหวขึ้นไหเขึ้นไหวขึ้ น, น ต, ตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม หนีไปคิดก่อนแล้วก็แค้รู้ว่ามันดีไปโเคเอนิบโตัวนะ่เจ้าครงถ้าลุงล้ารู้สึกตัวไรู้สึกตัวไม่คงเป็นเนรัน์นียลืมรู้สึกตัวไม่ได้นะเออคุณผู้หญิงนั่นะที่ใสแ่แมงสังเกนนตได้ตามที่เราเปไปดูเคราะเราลืมตัวเราเองคิดออกไหม วันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะเราจะลืมตัว เ, เองเยอะมากถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกก็คื อ, ค อ, ค อ, คอลืมลืมตัวเองตั้งแต่ตื่นเป็นหลังหนึ่งอย่างตอนนี้ฝันนะล่ะทราบไหมหนีไปคิดนีไปฝันลืมตัวเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะมากการรู้สึกตัวมากๆรู้สึกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวเมืนอไหรเราจะลืมออกจากโลกของความคิด เมื่อเราไม่ไปรู้อารมณ์บัญญตัติคือความคิดนึกทั้งหลายเราก็จะมารู้กายรู้ใจของตัวเองธรรมชาติจิตจะต้องมีอารมณ์อารมณ์มีสองประเภทคืออารมณ์บัญญตัติคือเรื่องที่เรื่องราวที่คิดนึกทั้งหลายอันอันที่สองคืออารมณ์ปรมามะคือกายกันใจของเรามีอีกอันนิพนานะต้องรู้การรู้ใจสิ่งที่ทําให้เรารู้การรู้ใจตัวเองเไม่ได้ก็คือเราเป็นหลงอยู่กับความคิดมวัวแต่รู้เรื่องที่คิด เห็นคนเดินมาก็คิดเลยเฮอคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้สวยดี น, น่ารักเลเห็นคนนี้มาก็ไปคิดอีกนี่ันนี้ใส่ไม่ดีน่าเกลียดนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปฝันฝันเผลอเผลอคือมันเลื่อนไปขณะที่เราไปรู้เรื่องที่เราไปคิดเนี่ยเราจะรู้ใจรู้ใจไม่ได้แลศัตรูของผู้ปฏิบัติพิภสนาก็คือความขาดสติความเผลอไคือผู้ชายนั่นแหละเธอดีืล่ะรู้สึกไหม ถูก ต, ต้องเลยหลวงพ่อพูดกับว่าถูกต้องแล้วเนี่ยคร้ที่สี่ล้ <c oughs> มันต้องเปลอไปก่อนมัน ร, ร่วมเถอถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่าห้ามเถลอจิตเนี่ยห้ามเถือไม่ได้จิตสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสติก็สั่งให้เกิดขึ้นไม่ได้สติก็เป็นอนัตต า, นะาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับไว้ก่อนท่านสอนบอกว่าให้นามรู้ จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะหมายถึงมันเกิดโทสะขึ้นก่อนแล้วก็ให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโขขลภะมีราคะรู้ว่ามีามราคะาถึงว่ามีราคะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ให้รู้ว่าจิตมีรคาคะจิตโลนไปเผลอไปมนจิตมีโมหะ ม, มันเผลอไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันเผลอไปเป็นการตามรู้เคยได้ยินให้คำว่าตามรู้ ธรรมะตามรู้คือธรรมะอนุปัสสนานั่นจิตตามอนุปัสนาการตามรู้จิตกายานุปัสสนาการตามรู้กายให้เราตามรู้ไปไดยๆตามรู้ไปแล้วจิตจะตื่นขึ้นมามีสติมี่ไคิดแล้วทราบไหมนะที่หลวงพ่อสอนมีเพื่ออะไรไหเพื่อให้รู้จักสภาวะในจิตที่หลวงคิดเป็นยังไงต่อไปความจิตของคุณหลวงไปคิดนะสติของคุณมันจะเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องฝันให้เกิดมันจะระลึกขึ้นได้อ้ามฝันไปแล้วสติทาหน้าที่ตามรื่รู้สติไม่ได้แปลว่ากาหนดนะรุ่นหลังๆเไปเรียนสติว่ากาหนดกันคลาดเคลื่อนแับกระจายปีดกนะสติแปลว่าความระลึกได้สนะำคัญชัญญา ก, กว่านี้สุดตัวงอาจารย์อาจารย์อะไรนั่นชื่ออะไรลืมนะอาารปูงรู้สึกได้ ลูกติศอาจารย์สุรวัต น, นะคือบรึกไหนะนีไปกล้วนะคุณผู้หญิงนี่นลหนะละที่ใส่แว่นะจะคุยอะไรไหมคุณหลวงเป้าต้องไป ค, คุยกับคนอื่นต่อยังมีอะไรติดใจไห ม, okay. มไม่หรอ ที่เราตางรู้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าจะรู้อะไรส่วนใหญ่เราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะคอยรู้การรู้ใจชอบไปทำแต่สมถาเช่นไปอยู่ๆก็ไปเพ่งลงหายใจไปดูมือดูเท้าดูท้ทองอะไรไปถ้าเราไม่รู้วิธีที่สติจะเกิดขึ้นมาเราคิดว่าถ้าเราบังคับมันได้เช่นเราจ่อก็ลมหายใจไม่ให้เผลอแล้วสติจะเกิด สติไม่ได้เกิดจากการบังคับนะในอภิธรรมเราก็สอนไว้ชัดๆเลยสติเกิดจากการที่จิตมันจาสภาวะทำได้แมน่นยำงี้นเราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆเช่นหนัดวันนึงก็หัดเพิ่มไปอย่างสองอย่างก็ได้รู้จักใจลอยไหมถ้าใจลอยเรารีบรู้ไ ว, ไว้ๆว่ามันใจลอยไปแล้วเนี่ยค่อยๆหัดไปทีละอย่างรู้จักโกรธไหมเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ ร, รู้ไวๆเนี่ยว่าโกรธ แต่ไม่ใช่โกรธเมื่อวานอันนี้รู้นะไม่ใช่ความีความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่านอกโกรธละความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าโลภละเนี่ยไปหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆถ้าสติตัวแท้เกิดแล้วมันใช้เวลาไม่มากเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ทําไปถ้าสติตัวแท้ไม่เกิดเจ็ดชาติก็ไม่ได้นะ <c oughs> เอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอาแต่ไม่ใช่ว่าสมถะไม่จําเป็นนะสมถามีประโยชน์ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทาาําสมถะบางคนฟังหลวงพ่อพูดสอนวิปัสสนาะ้บอกว่าหลวงพ่อห้ามทาาําสมถะไม่ได้ห้านะแต่เราจะทาาําสมถะก็ต้องประกอบด้วยสติปัญญาสมถะทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้ทัพกรเพื่อสงบทําไมจิตใจถึงไม่ได้ทัพกรเพราะจิตใจชอบหนีไปเที่ยวต้อพาจิตมาสลับมายูบ้านหาบ้านอันหนึ่งให้จิตอยู่สบายสบาย แต่จะเอาพุทโธเป็นบ้านที่จิตอยู่ได้พุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเล่นๆพุทโธสบายๆอยู่บ้านก็สบายนะไม่ได้ติดคุกมนติดคุกไม่สบายแล้วเราพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธเราก็การังเกตใจของเราไปพุทโธเราวใจหนีไปเที่ยวหรือว่าหนีไปเที่ยวพุทโธแล้วจิตสงบหรือว่าสงบพุทโธเรามีความสุขหรือว่ามีความสุขพุทโธให้่ยเพื่อจะมารู้ทันใจเรา เราจิตใจไม่ผ่อสบายเราจิตใจไม่หนีวิ่งพุ่งส ร, ร้างกันก็นกสบายนี่เปิดมิปัจฉนานะเราทำเพื่อให้เกิดปัญญาสมาทานนี่ทำไปเพื่อให้สงบให้สบายคล้าๆเราพักผ่อนมิปัจฉนาเป็นการทํางา น, นทําอมาหากินสมาทานเป็นการพักผ อ, ก อ, กอนทามาหากินอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหนื่อยพักผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ไหว ยากจนตายเลยเนตอนไหนควรจะพักผ่อนสบามสงบก็ทำจิตใจขงเราว้าวุ่นมากแล้วดูการดูใจเจริญปัญญาไม่ได้แล้วเราต้มาณพักผ่อนทำใจสบายพอจิตใจสบายแล้วก็หย่านิ้เกียรเมื่อเจริญปัญญาไปรู้กายไปรู้ใจจะสังเกตไหมส่วนใหญ่ไปเห็นคนเดินมาเรามาดูเขาเลงตัวเอง ใครรู้สึกตัวบ้างเมตใจเราพร้อมจะหนีไปเที่ยวหนีไปไหนหนีไปดูหนีไปทางตาหนีไปไหนหนีไปฟังหนีไปทางหูหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปสัมผัสทางกายหนีไปคิดและคุณเสื้อสีน้ําเงินหนีอีกแล้วรู้สึกไหมใครรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ยากหรอก เอาใครมาทีมที่สามหาไม่เจอละวพอเยอะอันนี้เหรอเอาส่งกันบ้านสวนพอนาเป็นไงนเออรู้ ม, ม, ามากขึ้นก็ยังชัว่วหนะอยมันไต่เรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรอย่าไปนานไหลแวบบรู้แวบบรู้จันทรุ้มรู้สึกไรจันทรุ่มนะจีดไหลไปแะ คือการที่จิตไม่ไหลไปเนี่ยไม่ใช่ประคองไว้ทรัพใดที่ยังประคองไว้ก็ได้ยังหางานทำอยู่จิตมันสงสัยไหมคุณผู้ชายที่ใส่แว่นรงส่รู้ว่าสงสัยรู้ลงไปตรงๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นฝนขึ้นมาจะถลํ า, า ล, ลงไปตรงนะี้รู้สึกไหมอ่ะจะหนีไปไหนอะไรนะ อยากถามไหมอยากถามรู้ว่าอยากถามนะแล้วก็ยังไม่ต้องถามนั่งดูไปนั่งดูความอยากของเราไปคือวิปัสสนาเนี่ยนะหรือธรรมะแท้จริงเนี่ยเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกแล้วก็เรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรอกการฟังได้แค่ความจำการอ่านได้แค่ความจำนะการคิดได้แค่ความคิดไม่ใช่ความรู้ เพราแค่เราสงสยัยเราอยากจะถามเรารู้ว่าใจมันกํนลาลังดิ้นมันมีแรงดันขึ้นมามันอยากถามเรารู้ทันมันแมื่เราปฏิบัตินะเราเห็นสภาวะเราเห็นของจริงในใจตัวเองหน้าที่เขาเราไปเห็นของจริงในใจตัวเองบ่อยๆ อ, ยอ่ถามไปตอนนี้ไม่ได้อยากถามนะ้อ เ, เออเห็นไหมไม่มีความจาเป็นที่ต้องถามหรอก <c oughs> เพราะว่าธรรมะเนี่ยนะไปจำํจำๆไว้เดี๋ยวก็ลืม <c oughs> หัดรู้สึกไปนะหัดอ่านความรู้สึกของตัวเองให้คอยรู้ทันกิริยาอาการของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆใจลอยรู้จักไหมเนี่ยไปดูเขาลืมตัวเองรู้จักไหมอเอานี่อีกคนหนึ่งละลืมอีกละชื่ออะไรลืมอีกละเออหนิงรู้สึกตัวไว้อย่าไปประคองให้มันซึมซึมทื่ๆไว้รู้สึกตัวให้มันสบายๆ ย, ยังจงใจรู้สึกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ รู้สึกไหมว่าจงใจบังคับมันอยไปบังคับอย่าไปประคองเอาไว้คอยรู้สึกไปสบายสๆอ่าเป็นไงสงกันบ้านหน่อยอ ด, ดีแล้วดีแล้วนะทําถูกแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆหนีไปคิดแล้วรู้ไหมลืมตัวเองแล้วมัวแต่คิดรู้สึกไหมรู้จักไหมว่าลืมตัวเองต่อไปนี้เวลามันลืมตัวเองนะ รีบรู้ไวๆไม่ต้องทําอย่างอื่นหรอกหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมลืมตัวเองอีกแล้วก็อคอยรู้สึกตัวนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวเองสิสนใจอะไรกับหนีไปคิดทราบไหมหัดรู้สึกไปนะนโยดีแล้วโยอย่าไปทําอะไรแปลกๆนะโยปล่อยๆไปงั้นนะ ก็เสียเชื่ออาจารย์สุรวัตรแล้วนะเอาเอกใจลอยไปแล้วของเป็นไงของอเอทไมเป็นขี้เกียจขี้เกียจมาหลายปีแล้ว <c oughs> แต่ก็ดีนะภาวานาก็ดีใช้ได้แนละ้วขององคอยรู้ไปเรื่อยๆนะกว่าจิตจะตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายคอยรู้สึกไป ตื่นได้ยากนะแต่หลับง่ายนะถ้าเราปล่อยพังเดียวเดี๋ยวก็หลับใหม่ไม่ค่อยรู้ไปเหมือนพายเรือทวนน้ำนะอย่าขี้เกียจพายค่อยรู้ค่อยดูทุกวันทุกวันสม่ําเสมอต้องสม่ําเสมอนะเมื่อเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต้องดูทุกวันดูทั้งวันได้ยิ่งดียกเว้นตอนที่ทํางานที่ต้องคิดทําไมต้องดูทั้งวันดูสม่ําเสมอเพื่อเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้านานๆดูทีจะไม่เห็นหนุก อย่างเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะรู้สึกเลยว่าไอตอนที่เรามาตามดูแล้วมันเจริญสติปัญญาอะไรเจริญมัองไหวขึ้นดูไปดูไปเกียจชี้เกียจไม่ดูพอเราไม่ดูมันเสื่อมเราก็เลยไปเกิดสัมคันผิดเนะีว่าถ้าเราดูมันก็เจริญถ้าไม่ดูมันเสือ่อมเนั่นเราทําได้แต่ถ้าหากเราตามดูของเราทุกวันนะไม่เคยย่อหย่อ น, นดูไปเรื่อยเลยเพามันเสื่อมให้เห็นต่อหน้าต่อตา มันจะเห็นเลยว่าความจริงเนี้ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกในหน้าที่เราทําสม่ำเสมอนะทําบ้างไม่ทมําบ้างมันจะไม่ตัดตัดสิ่งความรู้ไม่ไม่ลงนั่นครูบาอาจารย์จะสอนต้องทําต่อเนื่องเหมือนถึงดูทีๆดูไปเรื่อยดูทุกวันนะอย่าย่อหย่อนถ้าดูแล้วจเจริญพอย่อหย่อนแล้วเสื่อมเอย่างเงี้ยจะไม่เห็นในความจริงของจิตว่าเป็นของเสื่อม แต่ถ้าเราดูทุกวันจเจริญเจริญแล้วเสื่อมต่อหน้าต่ ต, ตทาทั้งทั้งที่ดูอยู่นี่น ป, นปัญญามันแจ้งขึ้นมาโอจิตมันของเสื่อมนะอุตสารักษาสุดฝีมือแล้วก็ยังเสื่อมจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ใครดูใครดูเป็นไงือมากับใครแต่งงานไปยังเลอนึกว่าแต่งไปแล้ว เป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างฮะแล้วตายประโยคนี้นานๆหลวงพ่อได้ยินทีหนไอายไหมขยันไว้นะขยันไว้ดีแล้วละ่ะที่จริงก็คือมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาจิตใจของเราตั้งมั่นมากกว่าแต่ก่อนใครรู้เนื้อรู้ตัวไป เป็นผู้ใหญ่ขึ้นลนะใครรู้สึกไปโบกลับไปอยู่บ้านแล้ ว, ลว mm hmm. เลยเอบียพี่น้องกี่คน mm hmm. ละสีล่ล mm hmm. นี่ไงจักสิทธิ์จักสิทธิ์เว็บไซต์อะไรนะลืมนะ mm hmm. ธรรมะอะไรภิกษุนี้ละนามเหรอเบียรู้จักอาจารย์สุรวัตรเนี่ย นั่งอยู่ข้างหน้านี่นะอบอยว่าไงบอยวันนี้ทําไมพวกเล่นเน็ตมาเยอะจังเลยนะ <c oughs> อย่าเล่นเยอะนะเน็ตอ่นะเ <c oughs> บียใจลอยแล้วรู้ไหมเบียใจลอยไปแล้วมันใจลอยรู้ว่าใจลอยนะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเคยรู้เรื่อย <c oughs> คุณนี่ชื่ออะไรลืมอีกแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรนะ <c oughs> อ่ารู้สึกไว้รู้สึกไว้ใจลอยไปแล้วจากถึงไปหลบตรงนั้นก็ยังเห็นรู้สึกไว้คนมาใหม่ใน่จะงงหน่อยนะนี่กำลังตรวจการบ้านพวกเก่าเก่านะทุกเป็นไงทุกแปลว่าอะไรเรื่อยๆอ่าดีแล้วดีแล้วเบียใจลอยไปอีกแล้วเบีย เบียอย่าบังคับมันนะไม่ใช่การบังคับนะแต่เป็นการรู้ตามที่มันเป็นเอากบบ้าใ่ใไงกบก็จะพาใครมาวันนี้ดเ<ร>ดี๋ยวเดี๋ยวรอบสองพยาบมมานั่งหน้าๆแล้ว ก, กัน <c oughs> ไม้ไม้เมื่อไงไม้ในยานิดกำลังกลุ่มใจแล้วไม้รีบตับไป เป็นไงภาวนาบา้างเปล่าตื่นบ่อยไหม <c oughs> เอาพูดหน่อยสิจะส่งกันบ้านในใจเรือยเดี๋ยวพวกนี้โอ้เหลือเหลือเหลือก็นั่งรถเมล์เรื่ร ย, ยๆนะ <c oughs> ทำอะไรแล้วสติเกิดก็เอาอย่างนั้นแหละนะหละักรังช่วยนะนิด